ตอนนี้ก็ขอแนะนำกรรมฐานตอนต้นคำว่าสมถะภาวนาหรือกรรมฐานอันดับแรกปรรดาเต็พุทธบริษัทจะต้องสมาทานสิงก่อนเพราะว่าการเจริญสมาธิถ้าขาดสิงสมาธิไม่เกิดถ้าเรามีสินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตใจสงบปัญญาก็เกิด มันเป็นของสืบเนื่องกันเรื่องการเจริญกรรมฐานในวันนี้นั่นลำแรกบัญญาชนพุทบริษัทตโตสมาทานศีลก่อนเมื่อสมาทานศีลได้ตั้งใจสมาทานศีลด้วยความเคารพแล้วถ้าคนนึกถึงศีลถ้านึกถึงศีลท่าเรือศีลาโนติกรรมฐานในโนสติเป็นกรรมฐานกองหนึ่งถ้าว่านึกถึงศีลเป็นปกติถือจิตเป็นสมาธิ ขณะใดที่จิตลืมศินเวลาเน้นจะกคิเคลื่อนจากสมาธิเป็นไปของธรรมดาเป็านั้นว่าอันดับแรกเราต้องนึกถึงศินว่าสินมีกี่สิขาบทมีอะไรบ้างเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางคืนมักจะให้สินแปดแต่ก็ถือว่าเป็นเฉพาะเวลาก็แล้วกันสินที่มีความจริงจำเป็นจริงๆเบื้องต้นก็คือศินห้าสินห้าเี่เป็นสินก็วระโสดาบัน อาโสดาบันเสรงแค่สินท่าเท่านั้นนะไม่ถึงสิแปดในเมื่อท่านอนายจะมีสินได้ต้องอาศัยคุณธรรมสองอย่างคือเมตตาความรักกุณานความสงสารถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วบรรดาท่พุทธบริษัทสินของท่านจะมีไม่ได้เลยตอนนี้เมื่อเรามีสินแล้วต่อไปก็เริ่มฝึกสมาธิ คำว่าสมาธิแปลว่ากามตั้งใจมั่นเราพูดภาษาไทยทก็เรียกว่าตั้งใจตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งจุดแรกที่เราจะตั้งใจก็คือศีล น, นี่เป็นอันดับแรกอันดับที่สองก็คือลมหายใจเข้าออกการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นจิตเป็นสมาธิ อย่าถามว่ามันรู้เล็กน้อยแล้วมันก็ลืมเนี่ยว่ายัางไงเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ลืมไปให้คําว่าลืมไปเผลอไปเนี่ยเป็นนิวรนคําว่านิวรนแปลว่าคุณชาติ้ขึ้นกั้นความดีคือไม่กั้นความดีและธรรมญาให้ถอยหลังเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนคนธรรมดาจะต้องมีเป็นว่าอันดับแรกทุกคนรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออก ขณะใดที่จิตรู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานั้นเชี่ยวจิตมีสมาธินี่ถ้าจะถามว่าถ้าสมาธิจะทรงตัวไม่ได้นานจะมีคุณประโยชน์ไหมก็ขอตอบว่าสมาธิแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็สามารถเกิดไปเทวดาไปนางฟ้าได้ไปสวัสดได้แค่ขณะสมาธินะต่อไปก็ใช้คำวัณนา คำภาวนาเนตอนกลางคืนนี่เป็นสุขหายโกจะไม่จำกัดใครชินคำภาวนาแบบไหนภาวนาแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ย น, นสมมติว่าท้าวท่านอะไรเคยฝึกมาจากที่อื่นเคยชินแล้วในแบบไหนก็ให้ภาวนาตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนถ้าท่านนี้ไม่ชินมาจากที่อื่นก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทเใจออกพึ่ว่าทโท สำหรับที่ท่านคล่องในมโนยิทติก็ใช้น้ำพระบัติตามเดิมของท่านคนที่ได้มโนยิธิจะได้กำไรมากประเดี๋ยวจะรู้เรื่องกไรแล้วต่อไปในการภาวนาของทุกคนการภาวนา ท, ท, ที่ที่ว่าทำจิตให้ทรงตัวถ้าการจบขอ ง, ง, าองการเจริญกรรมฐานต้องเป็นวิปัสนาภาวนาแต่ว่าวิปัสนาภาวนานี้ต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นต่อมีด้วยกันนะ ต้องมีสมาธิด้วยต้องมีวิปัสนาญาณด้วยถ้าภาวนาไปภาวนาไปถ้าจิตมันจะเริ่มเคลื่อนไหวก็ให้พิจารณาการพิจารณาใช้ท่านมหาติฐานสูตรใช้บทง่ายๆในไทยมหาติฏฐานสูตรในกายานุปัสนามหาติฏฐานท่านบอกว่าเราจะไม่สนใจกายภายนอกคือกายคนอื่น ถ้าเราจะไม่สนใจกายภายในคือกายของเราเราจะไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าสนใจใดเราสนใจนิพพานแต่พระเจ้าธรรมจะบอกนะถ้าไม่สนใจกายภายนอกไม่สนใจกายภายในไม่สนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดจิตก็ถึงนิพพาน ถ้าว่าไม่สนใจในที่นี่ก็มันดาแต่พุทธบริษัทอย่าเพิ่งรีบไม่สนใจค่อยๆนะอย่าทำรุนแรงเดียวกลับไปบ้านฟ้องยาหมดพระกดนข้าวตายหมดนไม่จำเป็นถึงขั้นนั้นเอาแต่เพียงแว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของอื่นก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงเหมือนกันหมด คำว่าไม่สนใจไม่ควรว่าร่างกายของคนเราจะไปสนใจคนนั้นหนุ่มคนนั้นสาวคนนั้นแก่คนนั้นเท่ามันไม่เสมอกันเพราะอาการมันจะไม่ทรงตัวมันต้องแก่เหมื่กันหมดเราเห็นเด็กจะคิดเป็นเด็กต่อาการตลอดสมัยก็ไม่เป็นเด็กต่อาการไม่ชาเขาก็ไปเป็นสาวถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาว ไ, ไม่ใช้ก็ไม่ชาก็ไปวัยกลางคนหลังจากวัยกลางคนก็เป็นคนแก่หลังจากคนแก่ก็เป็นคนตาย ได้ละอิพการหนึ่งร่างกายของคนเรามีแต่ความทุกข์หายความสุขจริงไม่ได้ความทุกข์ที่เป็นนิพพตทุกข์อดีตเป็นวิปัสนายาณนะความทุกข์ที่เป็นนิพพตทุกข์คือทุกเหนึ่งนิดคือทุกทุกวันหนึ่งความหิว2ความกระหาย3ความเหน็ดเหนื่อยด้วยการงาน 4. ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวัง5ความป่วยไข้ไม่สบายห ก, การพลาดพาจากของรักของชอบใจ เกิดความตายในที่สุดความความการหิวก็ดีการปูจะรับอัว่าก็ดีที่เป็นทุกข์ป็นประจำโรคความร่างกายเขากลนอื่นก็มีทุกอย่างนี้รนะ่างกายของเราก็เป็นทุกอย่างนี้เราก็คิดว่าขึ้นอยู่ร่างกายที่มันไม่ดีอย่างนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายคาว่าไม่สนใจก็หมายความไม่สนใจจะเกิดใหม่ต่อไปอีก คนอื่นเขาจะเกิดหรือไม่เกิดเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรานึกว่าคนอื่นจะเกิดเราก็จะเกิดด้วยใช่ไหมอย่างคู่ตัวโสมีเนี่ยนะแกก็เกิดชาตินาฉันไปเกิดเป็นสามีฉันไปเกิดเป็นปัญญานี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่คิดตามนั้นคิดเพียงว่าถ้าตายครานี้ขอตายเป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปสําหรับเราไม่มีต่อไปแล้วคิดอย่างนี้นั้นเมื่อเราจะไม่ตายต่อไปเราจะไปไหนเราจะไปนิพพาน คนจะไป น, นิพพานถ้าเราคิดว่าเราจะไป น, นิพพานมันจะไปได้ไหมลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งเขาเกิดมาในในสมัยก่อนนี่ก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์คนนี้ตาเมบาลีท่านเนรียกวปฏิปูชิกาชื่อจริงๆของเธอชื่ออะไรอันนี้ไม่ทราบตาบาลีไม่บอกชื่อปฏินี่เขาแปลว่าผัว ปุจิการที่แปลบูชาให้เชี่ยวหญิงบูชาผัวคือว่าติปุจิกาคนนี้เดิมทีเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ช่านดาวดึงสติวโลกแต่ในวันหนึ่งท่านเป็นแปรเธอเป็นพั น, นยาเข้ามาลาภารีเทพบุตรวันหนึ่งถ้ามาลาภารีเทพบุตรก็พาบริวารทั้งหมดไปเที่ยวสวนนันทวันผู้หญิงก็แบ่งเป็นสองส่วนนางฟ้านั้นแบ่งเป็นสองส่วนคือสองพันคน อีกส่วนหนึ่งหนึ่พคนเป็นคนเครื่องประดับมาประดับมาราภารีเทบุขอีกส่วนหนึ่งเป็นคนเก็บดอกเพวกเก็บดอกไม้ตอนนี้ปฏิบัติการนี่ไปพวกเก็บดอกไม้เหมือนกันกำลังอยู่บนต้นไม้ถึงเวลาจดจิพอดีกายจดจิของนางฟ้าเทวดาไม่เหมือนคนมันหายไปเฉยๆไม่มีร่างกายทิ้งอยู่ใช่ไหมก็มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์เธอระลึกชาติได้ ว่าในก่อนที่เธอจะมาเกิดเป็นมนุษย์เธอเป็นมาเป็นปัญญามาลาภารีเที่บุตรกุรลเทวดาวดึงแล้วก็ขณะที่ตายมาก็จะขณะนั้นกําลังเก็บ ด, ดอกไม้อยู่เวลาเธอทําบุญทุกครั้งคำอธิษฐานของเธอก็ขอผลบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าทําแล้วนี้ทั้งหมดจะมาโดวนวันใดข้าพเจ้าไปเกิดเปสํานักสามีข้าพเจ้า เอาอย่างนี้ทุกครั้งนะก็โรงความว่าเธอมาเกิดครั้งหลังนี่ก็มีบุตรสี่คนอายุไม่น้อยมั้งนะอายุอายุมีบุตรสี่คนอายุประมาณห้าสิบปีทีลูกโตแล้วเธอก็ตายจากความเป็นคนแต่ว่าในสมัยน้เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าจะมีชีวิตอยู่ หลังจากเธอมีบทสี่คนมาแล้วในตอนนั้นก็หวังบุญหวังกุศลมาจากอัศนะของพระมาอยู่วัดปัดกวาดบริเวณสถานที่ของวัดพระเวลาพระไปเป็นบายก็ปัดกวาดสถานที่จัดอัศนะจัดน้ำชัน้ำฉนเสร็จเมื่อพระฉันเสร็จก็ทำความสะอาดสถานที่กรรองความว่าเป็นทายิกาของวัดช่วยทําความสะอาดแบบนี้แต่เมื่อพระให้พรจบ เธอก็ตั้งเจตสิฐานว่าเป่งวาจาว่าขอบุญบารมีข้าเจ้าทํานี้จนโดนบันไดาข้าวเจ้าไปเกิดเป็นสนักสามีข้าวเจ้าพระก็ไม่รู้นี่นะเกิดนี้ก็ตั้งใจไปเกิดบ้านผัวใหม่ใช่ไหมที่บ้านผัวเดิมอะอยู่มาวันหลังเธอก็ตายเมื่อเธอตายจากความเป็นคนก็ทำชาวนานกิจแล้วพระก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบามทิบแก้ววัติปุจิกากพระหญิงบูชาผัว เธอทําบุญเสร็จแล้วแต่ละคราวตั้งใจเกิดเป็นักสามีอยากจะทราบว่าเวลาที่เธอไปเกิดที่ไหนพระเจ้าก็เลยบอกว่าก็เธอก็ได้เกิดเป็นนักขามีอยู่เธอนั้นสิพระก็ย่องไปดูที่บ้านนั้นนะไปถามว่าเวลานี้ใครตั้งคันบ้างได้ไมนี่ความโง่ของพระโง่ฉลิลาที่ไม่ทราบพระก็บอกว่าไม่มีใครตั้งคันหาคนตั้งคันไม่ได้ แล้วเรากลับมาบอกพระเจ้าบอกว่าไม่มีไปบ้านสามีของเธอแล้วจะหาใครก็ตั้งคันแต่คนก็ไม่มีพระเจ้าบอกตถาคตไม่จะบอกเธออย่างนั้นนั้งหมายความว่าที่ตถาคตบอกมีความหมายว่าก่อนที่เธอจะมาเกิดเ ธ, เธอเธอเกิดเป็นนางฟ้าเป็นพัญญาขึ้มาลาภารีเทพบุตรแต่ว่าเวลาที่มาลาภารีเทพบุตรพาไปเทืสวร น, นันทวัน เธอเก็บดวงวิาอยู่เวลานั้นถึงวาระตอนจุดติ ก, ก็หายมาเธอมาเกิดเป็นคนเวลานี้เธอไปเกิดที่นั่นอันนี้ก็กล่าวทุกวัดต่อไปว่าเมื่ออติปุติกาขึ้นไปเกิดปรสอนเจ้า ด, ดาดึงแล้วปรากฏว่าเธอมาเกิดเป็นมนุษย์อายุห้าสิบปีอย่าลืมนะท่านมาลาภาลีเทพบุตรยังเที่ยวสนตะวันยังไม่กลับบ้านเลยแหมเที่ยวนานจังพอขึ้นไปเกิดเป็นานางฟ้าตามเดิม ถามาลาพาลีที่บทถามว่านี่เธอตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยเธอหายไปไหนนะเธอก็บอกว่าไม่จะหายไปไหนเธอจุติคือตายจากความเป็นนางฟ้าไปเกิดเป็นคนมีลูกสี่คนอายุประมาณห้าสิบปีแต่เวลาทําบุญบารมีแล้วตั้งใจมาเกิดในสํานักของท่านจะมาเกิดที่นี่ถาม า, า, าลาพารีที่บทถามว่โกหกล้วก็ยืนยันว่าเป็นความจริง ท่ามาลาบาลีก็ถามว่ามนุษย์มีอายุเท่าไร่เวลาตอนนั้นมนุษย์ไปอายุไขัยร้อยปีท่านบอกว่ามนุษย์มีอายุขัยร้อยปีท่ามาลาบาลีที่บอกถามว่ามนุษย์มีอายุน้อยกว่านั้นเพียงแค่ครึ่งว่งของเราก็่ห้าสิบปีไปแล้วถ้าเต็มวันก็ร้อยปีถามว่ามนุษย์จะมีความประมาทหรือไม่ประมาททีบอกมนุษย์ประมาทมากเรื่อมากมนุษย์ไม่ได้คิดว่าความดีจะจะต้องรีบทํำ คนใหญ่ก็เป็นคนมาสร้างบาปอกุศลยันนำเรื่องนี้มาพูดกับบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่นั่งที่นี่เอาส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดส่วนใหญ่หวังนิพพานไปที่ไปส่วนใหญ่หวังนิพพานเนี่นแต่เราพูดตามส่วนตามแบบฉบับที่เคยฟังมาว่า ก, การหวังนิพพานยังไม่มีหวังอันนี้ไม่จริงดูตัวอย่างท่านปฏิปูจิกา ท่านตั้งใจไปสอนรท่านดาวดึงใช่ไหมตั้งใจโดยเฉพาะถ้าตั้งใจเฉพาะว่าเราจะต้องไปเกิดในสมนักของสา ม, มีของเราถ้าท่านตายไปก็ไ ป, กไปเกิดที่นั่นในการไปเนี่อาศัยใจไปสําคัญร่างกายที่มันไม่ได้เป็นเรื่องมันต้องทิ้งไว้อยู่ถ้าบรรดาท่านพูทบริษัทบานิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เจริญพระกรรมฐ า, าน ไ, ได้ของปัญญา ไม่ได้เปรียบได้เหตุผลปัญญาที่เราเรียกว่ามโนยิธิเมติทางใจนั่นเป็นปัญญาผุกคนเห็นสวรรค์เห็นภพภูมิโล ก, กนนเห็นนิพพานถ้าบุคคลใดเห็นนมัยของตนอยู่แต่ที่ไหนสมมติอยู่ที่สวรรค์แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเราเกิดเขามาเกิดที่นี่หรือว่าเห็นนิพพานนี้ไม่ได้มายก็อยู่ที่พรหม คิดว่าถ้าเราตายเขาไม่อยู่ที่นี่มันอยู่แน่เพราะบ้านมันมีอยู่แล้วถ้าบังเอิญเห็นกรรมเห็นนิพพานนี้ใหม่ขเราอยู่ที่นิพพานเราจะไปนิพพานไหม <c oughs> ก็ต้องตอบว่าไปนิพพานกันแน่ถ้าจะถามว่าคนทุกคนยังไม่หมดกิเลสไนิพพานได้ยังไงตอนนี้จะเพิ่มหมดกิเลสกันนะถ้าบมกิเลสไปพระอรหันต์ตายหมดไม่เหลือ ปณิพานหมดชั้นอดตายเพราะกระว่าตแต่ไปอรหรันนะไม่เกินสิ้นแสนอาทิตย์ต้าณิพานในเมื่อเราไม่มีโอกาสจะตัดกิเลสได้หมดจะตัดได้เมื่อไรต้องขอต่อว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะได้มโนวิธีด้วยจิตใจวตั้งเป็นเพื่อนิพานธ์กลังใจของท่านจะมีกุศลมากกว่าอากุศลถ้ายังไม่ไปอรหันเพียงใดนะอกุศลย่อมมีอยู่ของธรรมาดา อย่างพระโสดาบันนี่เป็นพร ะ, พระ เ, ปเป็นพระอริยาจาเจ้าเบื้องต้นก็จะมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลแต่อารมณ์ที่เป็นอกุศลมีกําลังน้อยกว่าที่เป็นอกุศลอย่างหนึ่งความรักในระหว่างเพศการรักจะ พ, ะพัะผู้ตัวผัวเมีย อ, อย่างนี้มันจะไม่ถือเป็นอกุศลและการที่สองอยากรวยอยากรวยจะรวยจะสัมมาชีวะไม่คดไม่โกงใครไม่ถือว่าเป็นอกุศล แต่ว่าสิ่งที่จะมองเห็นว่อาโศลมีนิดหนึ่ ง, งอาโสดาบันคือความโกรธพระโสศดาบันยังมีความโกรธอยับยังไม่ได้ไม่ไม่ฆ่าใครเพราะได้กับความโกรธนี่แสดงว่าระโสดาบันก็ยังมีอาโศลแต่ว่าท่านเป็นรมนรกแล้วนะไม่ไม่ถึงฆ่านี่มาว่าถึงพวกเราเราพวกเาพุทธบริษัทถ้าคิดว่าจะไปนิพพานกันเอาแค่นิพพานเถอะนิพพานนี่ไปไม่ยาก ตอนนี้ทุกคนก็ห่วงตัวเองเพอร์นหนึ่งถ้าประกอบกิจการบางคนก็ไม่หนี้สินรุนแังบ้างบางคนก็เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ไม่ส่งดอกเบีย้ยบ้างมันก็กลุ่มมันก็ยุ่งไปหมดนะบางทีก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายความปรารถนาไม่ค่อยจะสมหวังภายในบอกทองบ้านยากสอนอยากเดินด่านมาอะไรบ้างมันก็ยุ่งไปทุกอย่างแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราเนี่ยจะไปไม่ผ่าน อาจจะปรามาตัวเองแต่ก็อย่าลืมบันดาเต็มพระทุศร ษ, ษัจว่าถ้าทุกคนถ้ามีกำลังใจไม่ถึงนิพพานจริงๆก็ไม่มีใครนึกถึงนิพพานเรื่องการนึกถึงนิพพานนี่มาต้องมีบา ร, รมีเต็มถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าป ร, ร, ร, รมัทบารมีบา ร, รมีถ้าแบ่งไว่เป็นสามส่วนคือบา ร, รมีต้นท่านีกบา ร, รมีเฉยๆคนประเภทนี้จะนึกถึงนิพพานไม่ได้ อาจจะเก่งแค่ทานกับศีลนี่ยังเก่งนะบารมีกลางเรียกว่าปะบารมีถ้าพวกนี้ก็ยังไม่นึกถึงนิพพานถ้านึกถึงผมนึกถึงได้เพราะจะเป็นกรรมฐานถึขั้นพรมได้เป็นฌานสมาบัติได้ถ้าบอกว่าถ้าเราปฏิภาณกระเถะิดถ้าพวกนี้บอ ก, กจะไม่ไหวกําลังไม่พอนี่คนที่นึกถึงได้ต้องมีบารมีเป็นปร ม, รมัตตบารมีนี่ค า, า, า, จจาว่าปรมัตตบารมีนี่ทัญญาอัติฐานว่า ก็อย่างผมหรืออย่างฉันเป็นปรมัตถบ ร, รมีทําไมยังมีความโกรธจะมีอยากได้โนนอยากได้นี่อันนี้เม็ของธรรมดาว่ากระบางบุญส่วนใหญ่ยังเข้ามาไม่ถึงอย่างดูตัวอย่างเช่นสุปาพุทธกุฏิสุปาพุทธกุฏินี่เป็นขอทานแต่ก็เป็นคนบริมารมีดีฟังเทศจากพระเจ้าจบเดียวเป็นพระโสดาบันเห็นไหมไนดะ้ อย่างได้องคุริมานี่ยฆ่าคนเกินพันคนถ้า ต, ต่อมาก็เป็นพระรหันต์แล้วตัดบาปไปแล้วอย่างเราเราพุทธบิษัทก็เช่นเดียวกันเราไม่ทำความชั่วถึงขนาดนั้นความดีเรามีมากกว่าความชั่วถ้านึกถึง น, นถึงความชั่วอย่างเดียวก็คิดว่าน่าท้อใจแต่ควรจะนึกถึงความดีบ้างความดีก็คือหนึ่งทานการให้เราเคยให้ทานไหม การให้ทางเป็นปัจจัยตัดโลภะ ค, ความโลภสองสินเคยรักษาไหมก็เคยรักษาสินเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธการเจริญภาวนาเคยทําไหมเราเคยทำภาวนาเป็นปัจจัยตัดโมหะความหลง ก, การนี้ปิพันธ์มนมีแค่เนี้แต่ในการที่จะไปจริงๆตอนใกล้จะตายบุญเราทําแล้วทุกคนทํามากบ้างน้อยบ้างทำกันทุกวัน สัตวันเปหลาดของเราเนี่ยฮะเป็ชาติธรรมสัตวันเปล่ า, น เ, นร า, ร เ, ลาเรารู้จักยกมือไหว้คนนี่มันเป็นบุญนะรู้จักชมคนก็เป็นบุญใช่ไหมบุญนี่เพื่อควา ด, ดีไม่ใช่ต้องไปใส่บาตรพระทุกวันไม่จำเป็นอย่างนั้นนะรู้จักไหว้พระที่บ้านก็เป็นบุญรู้จักภาวนาก็เป็นบุญภาวนาน้อยก็เป็นบุญภาวนานมากก็เป็นบุญอย่าถือว่าเล็กน้อยไม่ได้คําว่าความดีถือว่าเล็กน้อยไม่ได้ แในเมื่อบุญเราทํากันอยู่เสมอเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาแตมาม า, มาที่นี่แล้วทรม า, านกันทุกสามวันสี่วันฮะมันะมนั่งแบบนี้ที่ก็ใครจองต่างคนต่างจองว <c oughs> ิทีของฉันจะหลังต้อเชอเขียนชื่อไว้นะเอาสีเสียงตะบันเขียนชื่อไว้ <c oughs> อย่างนี้ถ้ากําลังใจที่ไปกุศลจริงไม่มีนั่งทนไม่ไหวมันเมื่อยและทรม า, านมาก กำลังใจต้องเป็นมหากรุสุนย์จริงจะนั่งอยู่ได้ยังนี้จริงที่จะไปปรมาทบ ร, รมีนี่ถึงแม้ไปปรมตทบา ร, รมีก็ยังไม่ไประหันยปณิพานธ์ได้ยังไงก็ขอพูดตอนจบตอนจบของคนไม่ใช่จบของเรื่องคนเราจบตรงไหนคนเราจบตรงตายถ้าตายไปแล้วจบวันนั้นนะชัยก็เป็นกันถ้ายังพูดได้ไม่จบ อีตอนที่มันจะจบจรดาธันพุทบริษัททุกอย่างมันจะสลายตัวหนึ่งราคะความรักสองโลภะความโลภสามโทสะความกโกรธสี่โมหะความหลงไอ้กิเลสทั้งสี่ตัวนี้มันจะสลายตัวเพราะอะไรเพราะทุกข์ทรมานร่างกายเราจะถูกทรมานอย่างหนักจะมีทุกเวทนามาก เวลานั้นแข้งข า, ขาก็ยกไม่ขึ้นเจ่ะไหมผู้ก็จะไม่ไหวจะไปรักใครอ่ะือนางสาวเจ๊ดนางสาวไทยที่ไหนก็ไม่เอาแล้วเห็นไหมต่อให้นางสาวญี่ปุ่นก็ไม่ไมสนใจ <c oughs> แล้วว่าใครเขาวอกทองคําที่ไหนก็ไม่อยากจะได้เพราะอะไรมันทุกข์ทรมานมากมันปวดเจ็บไปหมดเวลานั้นจะมีความรู้สึกว่าโลภความโลภไม่มีในใจเขาทำร่างกายถูกทรมานมาก สองราคาความรักไม่มีนึกความรักไม่ออกสี่โทสะสามความโ ท, โทสะความโกรธจะกดธใครเขาไหวจะตีใครเขาไหวก็ไม่มีถ้าท่าก็สี่หมหาะความหลงให้ความหลงที่ร่างกายมันดีนะไม่มีอีกแล้วมันตัดตัวที่ร่างกายตัวเดียวการปณิพานที่เรียวกว่าสกายยติทิฏฐิ ที่พระเจ้าบอกว่าเห็นร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันจะของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างกายเรายังดีอยู่แต่ยังคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่ตอนนั้นจะมีความรู้สึกร่างกายเป็นเราเป็นของเราไม่มีแล้วมันเจ็บป็นปวดทั้งหมดในอาศัยที่มีทุกเวทนามากได้อาศัยบุญที่บรรดาทินหลายทำรวบรวมเอาไว้มากบ้างน้อยบ้างตามการเวลามันจะมีการรวมตัวขึ้น อำนาจของทานอำนาของเสียงอำนาของภาวนาทั้งสามอย่างจะเกิรวมตัวขึ้นกัขนาดที่ป่วยควจริงป่วยไม่ทันหนักพอเริ่มป่วยถ้ามันจะตายจริงบุญทั้งหมดจะรวมตัวกันถามว่ารู้ได้ยังไงฉันตอบไม่อยากฉันเคยตายไรหนใช่ไหมในเมื่อมันรวมตัวกันจริงมันจะตัดเป็นสังขารรูเปเรขายาณเฉยๆมันจะมาเองแล้วไม่ต้องบังคับมัน จิตใจจะวางเฉินในร่างกายของเราร่างกายคนอื่นแม้แต่ทรัพย์เฉินแต่งก็ไม่สนใจมีความรู้สึกถึงว่าเวลานี้เราจะตายถ้าเวลานั้นทัาจิตใจเราเคยชินตัว น, นิพพานอารมณ์จะจับตันิพพานโดยเฉพาะถ้ารูนจับตัว น, นิพพานโดยเฉพาะในขณะนั้นถ้ามันจะตายจริงๆก็วัดเครื่องวัดเกตไม่ยากจะบอกว่าทุกขเวทนามีหนักสนึกถึงนิพพานได้ยังไง ก็ขอต่อไปทราบว่าคนจะตายทุกคนในห็นถ้าตายจะไปเดรกจะเห็นกองไฟเห็นป่าจะเป็นสัตว์ฉานเห็นก้อนเนื้อจะเกิดเป็นคนเห็นสิ่งที่เป็นกุศลจะไปสวรรค์ถ้าคนจะไปสวรรค์นี่ปณิพันธ์เป็นผ ม, มโรคเปอนต้ น, นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเต็มไปหมดในจักรวาล ถ้าบุญบา ร, รมีเรายังไม่ถึงนิพพานเทวดาจะชวนฉันอยู่สวรรค์ฉันนั้นถึงอยู่สวรรค์ฉันนี้ไปอยู่กับฉันเธ อ, อทุกทีฉันอยู่สบายนี่มันก็ลืมมาทุกเวทนาใช่ไหมถ้าเราจะไปนิพพานยิงเราจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าพระอาริยสงฆ์จะอยู่เบื้องหน้าลองไปจะเป็นพรหมลองออกไปทีจะเป็นพระสุททนทรเทพดากระังฟ้าตอนนั้นร่างจิตใจมันจะลืมทุกเวทนาทั้งหมด จะเพลิดเพลินกัความสวยสดงงามของพระเจ้าของพระราหารันของเทวดาและนางฟ้าแต่ท่านจะมีเสียงแนะนำบอกจะเธอจงไปนิพพานบ้านของเธออยู่ตรงนี้เมื่อถึงเวลาจิตสุดใจาใครก็ไปนิพพานทันทีนี่เป็นของไม่ยากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้มาโนยุิเคยไปนิพพานมาแล้วให้ไปทุกวันก่อนจะหลับ ใช้เวลาสักสองนาทีเอาหัวทือหมอนก็นอนก็ได้ก่อนจะหลับที่เราจะสองทีตั้งใจจับคำบอกท่ารูปโฉมองค์สัตว์สัมมาวุจจ้าชัดเจนแจ่มใสต้านกำลังถ้าพุ่งจิตไปฏิธพิพานถ้าตั้งใจคิดว่าถ้าเราตายเมื่ไรเขามาที่นี่เมื่อนั้นเพียงเท่านี้จิตมันจะชินบรรดาธตรมพบริษัททุกคนทำเพียงแค่เท่านี้เมื่อเราตายมาื่อไรปณิพัน์เมื่อนั้นอาตมาจจ้จาจะน้ำาหลาวันนี้ก็เสียงไม่ดีว่ามันอาเจียตนตอนก่อนจะลงมา ตอนที淡淡่ไปเขาทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานวิกรรมฐาน